นี่นดุ้นบุยเบิกฟานาพาฒจบสดใสมีโคไรมาบังหน่วยพระจันบอใสแจมหัลมจแจมไม่ใช่เท่าเงาใจบ่ ในหัวใจมันมือเกล่มตันเตี๋นลังมนุษย์คิดบอกสอบบอไดลูกผู้หญิห็นมามาลีกก็คือการลูกมันมา่ยอมได้หลายเดือนแล้วแม่คอยไปก็ได้ไป อาสีกินน้อใส่ทองก็เมื่อเสียงน้อเป่าได้เมียนางคอยดอกน้องเฮจนโตจ้อยสซพร้อมซ้อมมาได้ก็เลยเมฆคิดบ่ถึงสิเป็นได้ ใจยายใส่กำมองคนทุ่นหัวอียเจ้าสิอยู่ใส่นอเจ้าสิอย่ในบ่อแม่เพื่อเพื่อรอปั่นไฟใหม่กีเพ่าได้หลายเดือนแต่แม่คอยดอกวักเจ้า แร้นั่งเจ้าคอยงายามสาวมาเมตุนตกนั่งอยู่ซไในแลจองได้สิบสองเดือนขาวเลยกลายไปเป็นปีนึงแม่โลดกีดบอถึงว่าสิเป็นจังเสียเต็มที่เย็บแม่เกลูอ ฝ่าห้องปองบุ <ian> <can> ่น <nothing> บ <like wir ine> ่ทรงเลยเหงาหอยเมลซี่ค่อยก็ค่อยได้ส่วนลูกใจบ่แมาเยี่ยมเน่าบานี้มขลกเยอแม่เลชูไปกระไรกิน ว่นตาบินผู้น้อยลูกสาวลากรังดีว่าเกียวเอ้ยลูกฮะเจ้าผู้เกี่ยวบ่ายวันเมธำพ่ตำพานอันใดนั้นบ่บอกคาสุลตา จังเปรีวเอาไม่เลีกาลูกสาวหรือแม่เจ้าเล้วบบองบองหัวขวงดอกไว้ไหมเดี๋ยวนี้แม่เกือบป่านั่งบอดเจียจิตใจหลงใจบอดตรงป่าวงาสำเมงว่าเด้หดหนองแม่นั่งขวางพ่อปันขวางน้ำซางบางตาขีดในเตมู ด anyway, mm ินตาฟังปังลงปิดปากสางน้าปากคุลบุญน้อยได้สาวลูเวอบไปใส่ก็ะ่หมอนจ่มคว่ำเ้าเบาความลังอ่างหงลาละต้มตุกโกดบ่มีทั้งแยบแย่พอปันหินก่อนและเข็ดปันแกลยวสิล้อนแนวค่อยกินนำดูกอนแต่ละค้นแต่ละปานแพ่ผาที่นุงถือ Tiào niemán đoạt mướt t ư ม i Hứa pan cá súm mua quan rể cá súm mò. Càng k i ก h cá mồi x t h n h h u a h u n h a y h u n h ố เปลี่ยวเพื่าพาพ่อเงินคำมีเพ้นกายพราะไรเหลียงรอกเชิดยังเอื้อแม่ยายจันบาทยังเอื้อเงือนอนนั่งบ่มีไหววาสิไปตามมาลูกลุ่นข้นสองหน่อยให้สิตรีกระตามทอนที่สัญจรแปรลุก ทุกทุกคนนั่งอยู่นี่เซลฟ์ความไข่บ้านุขั้นบอกไปโคกสิบ่ได้พอสูญแอบปริศนาไปบ่โดนสิกลับมาจังพบกันดื้อทานำลงจากสารเตรียมของจอบน้ำตาขออ่นเลี้ยง ปวดแหัวปวดาังเไก่ดดงส่วนอุมื้อยมา ตัวเพื er, ö, ่อนส่วนว่างเปลียนทานปัญหาขาวน้ำมาจากเบากันมายะยะอย่างใก่กันเนวในห้าตัวขันกรบผัอโอ้นี่คิดอยากหัว แนวเขาชีดบ่ทั่วชีดบ่อทั่วมื่อทำผีชีดบ่ถึงปัญหาทำจังได้ข้าปัญหาเก็เวมาจะให้เห็นมหมองบนส่วนขื่นสีสิปอนมาเลิกาได้มาขวางนั่งกินหมูอยู่กำพีีเลยลืมเจียมแม่เจ้าของ พี่กะชิดละต้อนที่ไปส่องมือมันด่าลูกซ่องคนมาคือการบอกมันไปดอกคือว้าตัมาตถึงตอนเศ้ามันลีกากอยงพออัโซ่ละตาเพียใช้น้องคงไปยามแม่เจ้าคือคำบ้าแต่ก่อน ผู้ลูกหลาคงานอยากยีดการงานมาไหลสังคมสู eh aya, <fun> ่วงกะรเราลืมไปย่ำเยี่จากสิดีหรือลหลพี่ชายไปหรือว่าโม่เมื่อนี่พี่ดอกตาพอเสียไปทมเบื่อไอ้เราเสียว่าจังได้ หยดกันไว้เพียงสามนี้รอจักไม่กำลังจะขาดนี่ฐานที่ดีสีผากลุงแต่เพียงโย่ขอสะลุปไว้ตรงนี้มันนี่กะตามหน้าที่ละใกล้สิหอดขั้นบนจอขอหยุดไปก่อนขอหน้าตาแฟงดื้อ แม่ต่อไปนันดอกนั แม่แมลีกาในี่ยแม่ยูน้ดูนำปัวมาเลียงปูเลียงหยาการยุสนุกสุขสามใบใครขากบะถุกบาหยากคื่อน้ำอีเมะต่างต่กี้ต่กรน้ำม่ใหญ่ตั้งคื่อนอีเมะเมยใหญ่เอ้ยเกิดเป็นเมือเปลี่ยนวันผาขอไปขอต่างแต่เขาวัดน้ำหลวงพอขอแล้วอยากายปูอยากไอคนือสีไตในตัวแมอยูพี่การยุสนุกสุขสามบเงื้อท้องสีใสกะบะอึดบะยากท้องกะใส่เต็มข้อเต็มแขน ได้ผัวก็ได้ผัวไม่อย่างนาทีกันงัานใดหอดผัวอบอุต่อผมเนอก ก็เลืยากไหลจนบ่มีเวลาเวลาสิไปยื้ยามถามข้าวอีเมะก็เถื่อกว่ก็คิดต่อว่าไอ้โซลตาสิไปยืดดอกดี๋่อยก็ว่าสันโดอันมื้อนี่โอกาสดีแต่งโตนแต่งโตแล้วเรียบร้อยจึงสิสิไปถามข้าวถามข้าวเบื้งไอ้โซลต้าต้นก่อน้าแล้วไปยื่อยามถามข้าวอีเมะคอยจะเถื่อบ่สวมคอยคือต่อหัวตามว่าสนิมเมย์ใหญ่เมื่อมั่นได้กล่าวพูดแล้วก็ออกจากบ้านของตนมุ่งหน้าไปสู่บ้านของพี่ชายพอไปถึงบ้านพี่ชายของตนเช่นนั้นจึงบอกเลยเผยวาจาออกไปว่า ปาดโถ้คอย่าเมนหางเมนมี่ตังจะคอยไอ้โสระตาเราหางหางให้มี่ก็คอยองตอนนี้แม่เฮือนกายัหลังเงียหลังตัวมือคือจังมิดมีซีซ้อนแต่เราเขาสีอื่นใส่จักบาทมอนก็นะมีผู้อยู่เงี้อยู่สั้นจับบ่บอันพี่สวยพี่โสพี่โสอยู่เงี้นบ่ผู้ดมืออื่นเ้ยอันแห้งเคนสุดับสินอนไปแห้งนะ ผู้ใดเกามาเบิงหนาเบิ้งตานเป็นยงตื่นแข็ตื่นคตรนเป็นอย่างหมกแต่อยู่ในเงี้ยในซานแตบ่หอนว่าเอาถืเทเดียวเอา่นมันห้อนจงคไปถ่าอยู่ในเ้ออกมานีจักบาทิ่อก่นหาโอ้นึกวัยผู้ใดมาดีกาตัวนหมพอดีะนองลเนมาตึงเห้นตึงซานกินน้ำกินทากันมาห่อน คุนเพี่เอ้ยนองมากเมื่อนี้กับว่าฝอฟ้าฟังฟังเงื่อนสั้นบ้านซองกับว่าขนไปดอกน้ำทายาวังกับว่าอยากว่กินนําดอกมากเมื่อนี้ว่าสิมาถามเจ้าเนีหนึ่งในสดอกทำอะไรทำอันใดวตีตั้งแต่เฮานี้จากอีเมีมากก็หลายฝ้าลาปีแล้วเมยนโบเจ้าใดไปยื้อยามถามเข้าแล้วจะเสียบบเอาขอน้าไปส้มเราจะเสียโบอีเมียนั่นคือจังสัญาไว้โบโบโบไปเชนึงเฉเดียวตมาทีสิบสองส่หาเพียงไก่ผู้ใดักคนล หาตามตับตามปอด ม, ม่อไอ้วาจะต่อย่เงี้ขอขอยางปล่อยว่าเปลี่ยนว่นาย่แม<อ>่นอนจ่อหนีเมีน่ะคระท่านตายใจในวายชินอนจ อ, อเนาะแจ็คลนนนจแล้วคุณพี่เอ้ยนอหนอนอยู่เนยู่สันเมื่อคืนนี้ฝันเห็นหน้ายี่แมว่ายี่แมวแทงทริงแท ง, ง, งของมาขออยู่น้ำแต่คุณพี่ฝันเห็นี่แม่เอ้ยปวดประหอดก อ, อก ฮกเก่าปนี้มันจะบอกเก่าอ ง, อาง่ิโอ้ยน้องมาเด็ตีสลีส่เบือไปชังสันดอกฝันเห็นหนาอีแม่นันคืดนำเล้ายัานแล้เก็บเราควยเสลีความขืดของน้องนาหนะคือถ้ามีแม่เออน้องก็เล่นเตีงสิ่งเตีงของมานี่ฟองนาอยู่นักกินฟองอยูกฟองหยาฟองเองินฟองทองแต่งมาแล้วจังสี่นีาสมาใส่เจ้าอาวุโอีแม่ไหน้องแน่เสียทุระน้องมหาเจา้าผืนเนี่ย นี่อย่างละแนวแตงม้าหลายอ่านหลเแนวอยู่อย่างแน่ส่วนประจอมคอมแบบนี้ปิ้งกี้กับปู้ดองทั้งเจ้าบอกของยี่แม่มักนอกแตงมมาบื้อส่วนสุวนนี้เอาไปส่วงแล้หายนอกจะเข้าแน่โอ้ยไม่เอาปวดต่อยไงเ้ยเบี้ยบัดนึงก็่ายี่แม่เอ้ยสินตอนหนาปาตอนมันตัวได้ียงกปิ้งาให้เจ้าภราสมประน่อยจซ้ก็เจไปพุดเขาเอา อัมือไม่ว <les. ici S 1> ันหลังอันนี้ปลาตัวิ่ใหญ่น้องเสียวไปซ่งยังดอกแต่ว่ามือนีมีจังสีนะเอาจังสีไปสะกอนสะดอกขุนปีไปแห่นองจะเข้าเน่บ่บ่ะ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บนบ่บ่บ่บ่บ่บ่ไปบ่บ่บ่บนบ่บ่บ่บ่บ่บ่บงบ่บ่บ่บ่บ่่บ่บ่บ่บ่บ่่่ ปาดไหลนี่รโอ้ ย, อยลูกเนี่ยพอเท่าแม่เทากะมีให้เขาเบิ้งเขาแย่งใบถากระได้ดอกเสียสละเวลาไปเห็นนอกจะเข้าเนี่ยเพราพ่อเสียเสียเรียกเสียงานปนานดอกไปจะกับน้องจะเข้าเนี่ยคุณพี่นี่เดียวหมอยู่น้าเพินกเจงไก่เพลินต็ตัว เจียงแกหม่องไต่เจียงแก่พอเถ่าเจียงแก่แม่เถ่าเจียงแก่ลุกแก่เมียตัวมาอยู่นําเพลินมาอาเพินเขาบอกเขาว่าแตีงสิ่งเงขวางไปให้พ่อให้แม่อันนั้นเจ้าว่ต้องไปขึยากรดอกสู้เขาฟังโหลดอันนน้วาต้องไปขึ้นหากรด้เขาฟงหลด่เจ้าว่า้องไปขึ้นหยากสู้เขาฟังหลดอะไปไปนเจ้าา้องขึ้หากรดออสู้เขางอัน่นเจ้าว่าต้ไขึ้นหากรดอกก้เขาฟัหนจ้าว่าต้ไ้นหด คือต่อได้โยนยามันบปหนักก็มัคือต่อกันตีล่ะโอ้ยจังยำเลยสนกสีง่ายะสไปคือว่าไปว่าสันทอว่าไปว่าไปแท่แน่นอนนี่ลวันท่คยตัวคนเดกาไปกับว่าต้องไปปอดต้องคนห่แม่ของนเดียวหรอานอแม่ใหญ่ตายกับน้อกับมยนเียยซ่านั่นะคันน like ้องคือต่อห่อตามว่ได้จ้ากันเจ้าเนี้ยปนานพี่ขาน้องกันกันเต้หนนีเป็นตัไปซะตายกับว่าต้องมาเผาพีกันดอกเขานักถือกรดจ้ากระ่อยหเนี่ยกมาแล้วยายิมบ้าหยา พูดใช่เขาว่าทีมพอทีมแม่ดอกไม่แต่พูนิ่งอนะโอยจะสบาเอาดีนัานจของขังไรทออันออพูดว่าทีมพอทีมแม่น่ะมีจักเตียบว่าอีลาม่ิกานียในเปปามาตัวใหญ่ใหญ่บินปไปส่งอีเม่หเนมีจักเตียบว่าคือง่ขอยมาหาเจ้าห่มีจักเตียบ่ีห้องม่ท่า น, นได้ไปจิไ ป, ไ ป, ไปน้ำไหนจิปองกระลบอกเจ้าข้าจิไป่แล้วจิตายไว้ปนอะแล้วถ่าจิตไปไ่ก็แล้วแต่แม่้าจิตายแล้วเอมาสังเกือจังเแหลกตาแต่จะว่าว่ามีขอโอ้ยมากรมาโดยที่ห เอาขันบางอยานัมักอ้แม่มาปับก้อนสีลกเงินจากรามาว่าฮจะแตกอย่างแม่เอ้ยปาตัวดมันใหญ่ขว่กสีปิ่งไปส่งเจ้าดอกเงินขันสีส้งไปเสะถง้เจ้าใส้ดอกว่าฮัทแตกอยางมาแล้วมาเห็นนทตามมาสั่งาากไอตัวมันน้อนอยู่หันแต่ฟันหนาโอ้ยาดมืย มึงเมื่อกี้แม่จีบมึงสิรนแต่มาอยังหากู่มึงคือบไปทซงเอาโดเอาึ้นต่อเจ้าเมื่้นต่อแม่นี่ยาบอกอยากปาดไหลทำมึงว่าึ้นต่อไอ่จีไต่อหมาตไอ่จีบไต่อพยเยเราบอไปเห็นได้ว่ามปนแม่แล้วมางบอกเท่าบอไปกบ่าต้องไปปอดคนหลังไม่ต้องอยสีขึ้นเมื่อบานสัาไม่ได้พจเมแม่เขาพูดเยวอันเป็นเมเอบต่อบานหน่อยแม่พูดยบือว่า บาเมียต่อบาแพงก็เลยเจอกันเจ้ประเด็มันมะตายเปนผู้ขับเขาดีไปจำเท่มันต่มาเปยนที่ไซส์เปียนองเขาเปลี่ยนยองข้วมันนี่ย่ย้เาบเจ้าของก็ยังแ่หักข่หำเมือยยลมเอาลำีลำไราไปผู้ใดามันตายแท่นกันได้ึงคือบอกบอกนบักลีแ่นมันมาเราดีดีมันสัวผู้เดนผู้บันดีไผู้ใดว่ากูซัวเบิาแพงเนี่ยเข้า่าเบิาเบิเนียเขาบอกกันดีตยังเงียกัมยังอดังบอกไปฟังขัดยังแเา เรื่อบางานการบทนอนเวียนตื้อๆก็่าจากของหนกมาถึงยากหายอย่างหนักน้องเวยนอะไรของบอกฟังแต่หัวบ้านจะมาไทบ้านถามอีสาวบงูว่ากูมันตอนไหนจะมาบอกเอาดีตัจงกขออยู่นีหนีขึ้นมาบ้านเมื่อสก็ไปกับ่ตองไปตลวนมียบกาสั่งกูก็ไ่ได้บอกมาเฮยกูจะเทีดได้ละเียนนีโอ้ยกษิมาช่เดียวเท่านี้หล่ะต้อไปดีเทื่ยวไปโรดไปหนังอันเชี่ยเดี๋ยเป็ี่้นคนบ้างกเฮยบักโซ่น่ยเชื่อไปโรด เป็นมาที่คู่ภูสีจับไม้น้ำปอสัตว์ใจเคระหนีดอกขัโดนไปกนี่ขออนาขอด้เขีวมันอกจากสี่เหลี่ยมสวซ้น้ำมอนเราขรอขออนุญาตโอ้อีโบทัวมึงอยากให้แม่กิอไปทรงมึงหลดมึงบ้านหนึ่งกูไปทรงเห็นอย่างเมื่อทั้ง2โตโลกันไม่ได้ตามไฟตามก็ต่อว่ากันในที่สุดมันิกาก็กลับสู่บ้านของตนด้วยความเครียดแค้นก็มีนกาละครั้งนานบัดนี้จะยอนกล่าวถึงแม่จันทิมาหลังจะออกจากบ้านของตน <sous S 2> มุ่งหน้าส Los e ู่บ้านของลูกชายพอมาถึงจึงเอาเกยเผยวบาจขึ้นไปว่าสวยโซลตาแม่มาดูคุณโยมเอ้ยบอกว่าท่านจบบ่วนประเท็นแม่มาเพื่อเป็นเอาหนาวอ่อนจากตีแจวจังได้ทังดีใจทึงเสียใจกับปานนันพ่างมันไกปานีเจ้ายังมาอยู่น้อยี่แม่บอกให้ทายยบานน้ามือให้อย่เฮื่อนมันเจ้าแลงไม่ยังควงไกปานี โซลัแต่เอ้ยสิบ่ให้แม่มากจะได้ค้ามเอ้ยค่อยนอนแล้วก็แล้วค่อยายแล้วก็แล้วว่าสิไปทรงเขาทรงน้ำคือคํามบ่อคําว่าคือคํามสาบทสาบานคือคํามหมันสัญญาลูกหล่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาสิกินแต่ละมือแต่ละวันกระบอมีคอเงื่อนไก่เน่ยอเงื่อนไก่เน่กะเกียงกเกีงใจเพื่นลูกหล่าแม่จึงตัดินใจแต่งสิ่งแต่งของหอบผ่าหอบแพรว่าสิมาอยู่น้าให้เจ้าเลี้ยงเจ้าเล่ให้เจ้าตอบบุญแท่นพุณย่ำแม่ทอมแม่เกลตัวนูเอา คอยคือบอกเจ้าแล้วแม่เอ้ยบอกตั้งแต่จีรุ่งเฮียนงรง้นมาถ้าคอยออกเทียนออกสา้นมือใดมือใดถ้าพอเ่าปันเฮียนปันส้นหแล้วขอจอังว่าจีักเจ้ามาอยู่น้ำยืนนีเฮียนสั้สารสาง่อยยังอยู่น้ำพอเ่าแม่เ่าอยู่เอาจังสี่ใส่แม่เอาจันทร ด, ดุกลาเจ้ามาเห็นเฮียนส้นของดุของเตากลังส้ำเนี่ล่ะขึ้นไปถ่ายยุบนันพ่อนองบอลบือคนไป โสด้วยจะเสว า, าวจังสันจังสีถลกลาไม่ออกจากบ้านเตตีหาสีหอดบ้านเพ่งเมื่อยกเมกื่อยลากระลาทั้งอยากเขาต้องหิวน้ากับพองกันลุกลาเอ้ยเอาน้ำเย็นๆให้แม่กินเลย้อรู้เจ้าสิมากินอย่านี้แล้วบังเขียวหมากปากกบะเพาะเส้นกรแปดเจ้าแปดป่วยคอยตนตัวลุกลา้าบาจังสัน ปากผสมกับากเมย์ำขอมกเจ้าขอบปวดตะกี้เจ้าขึ้นตกีเดียดลารูเจ้าขื้กินดีอยู่หลักคำโอ้ขาดูจกว่าเจ้ามากพื่อยำเขาคอยมือขที่กินน้เจ้าหรอกทีเดียดลูกหลาเจ้าอกจังสันจังสี่จ้าเสบ้าบดีกับพอกับเมย์เถารล่าเอ้ยย้ำเม่์เาเมแกก็เลี้ยงเมต่อบุญแท่นขนปุตยังวากตันกตเวที่ต่อบุญคุนเมย์แจะเดินก้าวหนาเตาลูอตอบน้ดก็จังคอยตอบก็ได้ตัวเจ้าจะตายมืออื้นมือหื้อนี่สิเจ้าอได้ตายมืออื้ แต่ว่าเมีมออกจากบ้านของน้องมะฮอร์บันแพงพีก็เจนวัตปัะบัดใบคอยแล้วทั้งอยากเข่าทั้งหิวน้ำมานน้ให้เมกินเนทลกเอ้ยเมื่อยกับเมื่อยสิเป็นลมกรพร่องกันตัวลลูเขาเห็นประท่านใหญสูงอกจะมาทางใดวัหันเมยจำว่าใดลูกหลาจะว่ามาทางใดมาทางริมบึงบ่อกัมาทางนั้นลูกหลาเห็นหนองน้ำปักที่เมื่อไก่คอยยางอ่านบ่ออกติไม่ยังนี้ลูกหลาหลายหลานยูหันเขาเป็นอย่างเดขาเขาเห็นอย่างยูหันละลู่ ก่ยางไม่ยิงตุกมือนั่นคือบสริจินทะกอนลต้อยหลาบ่มือันเจ้าคือประเสริจินทะกอนน้องมาหาข่ลูกหลาเอ้ยต่างติมากะข่ยางมาเดินดกว่มีเงินจากบาทสเมซือจังใดเมกาวาสิมากินน้าลวน้าเตาเมมหันตแล้วลูกหลาจะบอไปหลายขัวมาลูกหล้าเมยลงเมยลงกระเพาะสิกินเมะกรอน่ลูกอยถามเจ้าบังนะถามอย่างนัลูกหล้าเจ้าจิมาอยู่นําลวงน้ำเต่าอีเนั่น เจ้าเฮ็ดประกันชีวิตไหไปพอข้าคอสอเดี๋ยได้ทำกเลยดูเอาอันเงินได้ทูกเดียนันนั้นไปใส่อได้มีมก็ยังเหลียมัถกบาทยู่ตางคอ๋อออปตอหเดียนละาอออปหายน้าหยกดูตพ่มมาแจกูหันู้ิยายบานเพื่อแจกด้นประกาศทุกเดียนทุกเดียนก้อยฟังเหมือนเดนละหลกลเอ้ย อันอปตให้ยแม่กัไปซื้อเียดูนยกินนบางเมื่อกซื้อเนีเียไปหาลงอนมอยู่วัดโน่นคุณลูกหลาเอาประเดกไปุกจมเ็ลูกแม่ก็เลยซื้อเนีดีๆไปหล้วสันสั่นดอกลูกโอ้เจ้าจะมาตัวข่ท่อแม่เอ้ยซื้อมากซื้อผู้มากกวสิมดเท่าไรเงินเจ้ายนนี่จะได้8ดสเท่าไรพมันได้พราพันเราติย่างนี่ลด็นนี้ถ้าเข้ากนมาแิบนมันได้พันบาทเราตีมันบอยมุ พรท่นก็คือพตัววาหูหนวกที่บัได้2ต่อผติล่ะจาท่านันท์เอาคนพิการอีกก็ได้ตัวเจ้าาวาิษเมยเมยบได้พิการเมียบัตรหูหนวกเมียรตาบอดเสเมีปตัวเขาจะได้ดูเขาก็ตรวจสอบยากีลูกหลาเอ้อจะา่าจังสันจังสี่อเมมหแล้วก็ดีเจเมโลนี อันนี้ฟังมันดามาจากเขาเมงเ อ, อจากแม่นนาวหรือแม่นหนฮเออจากเม่นหนาวหรือเม่นหวา น, าา น, น, า น, วานด้คุ้มผาหุ่มกันเกินนะ เออเป็นเขินเขินคือจังมีแนวควางฮะเออเป็นเขินขินคือจังมีแนวควางฟ้องกระจายคอยฟาดฟังฮความตั้งใจจูราตาคอยนี้ยความตั้งใจนะ โซ่ละตาคอยนี่เอื้ยีว่าเดียวแม่คอยคำวังเรือกปนันเจ้าเจ้ า, มม า, าไม่ไปไงงัดบ่อไปเอือนึกว่าใกลแต่ฟังแล้วดอกเลือปปนเต่าดอกพาลอยแม่เอ้ยสุดแต่ทางจิวังนียฮะเอื้อสุดแต่ทางจิวังนียบ่หวังไงอาไรโดนฮะตาละบุญ Oh, my mother, my m o t h e ตาละวนว่วใจแทบเวอยนำหันมาพันจองปวดงานยังงาจงฮเออปวดงานยังงาจองยืนมองหลังไอยแลนาพอปันบาปไว้กระใจดกอกเดโน่งนาอีกกันหนึ่งตัละตาไข้หลุดมาจิตแดงฮะคำโบราณพูนบอกว่าเออพนยังไหวแม่เออ โอ้ยปุนยังา in, ANG, วางฮะอย่ามาอยู่ลำหนูกจะไปนี่ํำเอาหาไปหาพีฮะอันนี้ตี่คุณโยมจังสังใจคอยลงเนฮะตาจินใจยังเต็มรอยอ้อยเคยหวานไก่ปินเฟื่อนโอ้ยจึงบอกแม่ลงเงอนน่ะ เออจึงบอกแม่ลงเงินนี่ไปหาสาวผู้นองไปก้อถทายนางบุนะวายแม่เออโยวายแม่เออแม่ ให้เจ้าไปหาลูกสาวลาเจ้าพวนเติดคุณแม่ปุ่มก้นกน้ำดอกแม่อยอยายาวา่าจํามันดาเนี่ลูกบ่เมีอันความบ่ฮอันมุนมังอือ เอ้ยแม่เอ้ยแม่ฮ อ, อันมุนมั่งวันนี้มันก็เป็นของเขาให้เจ้าชิาาดคักเนี่ยเด้อแม่อย่ามาอยู่น้ำลูกจะให้บ่พี่ในก่อยู่ดอมฮะเดี๋ยวท er ีเกิดเดือดร้อนทิแช่ยากปฏิลังหรอกแม่เอ้ยตัวรักตาไข่อยบ่เคยสั่งแต่จําเป็นในเขาเนี่นี่นี่ไปเดี๋ยวนี่นี่นี่ไปแดดที่ไรบอกว่าไป ไปเรียบไปจินขอน้ำน้ำลูกสาวลาเจ้าบุญยาวาว่าไะไรีอยาวาว่าไรเมื่อนานละนาอีเม เพื่อละจันที่มเมยใจเท่างาและใจใส่ป่าลืมบอกไปหาถุกเส้อลากันทห้องที่ไทย นามตาโนกบ่าวมันเเส้นสาวเงาลึกว่าแม่นฟามันฟาเล่ไม่เบียกมีงานสีข่ขันกุ้งเจ้าทื่รัฐบาลแพ่งไม่ปล่อยไออออด้ พ่อปันไฟล้ำห ม, มาตามร่างกายตื้อเผ า, าจิจมาดูจินมั้นอนจินนอนนั่นได้จินหาเจ็บล่ำ ไ, ไหลแหงผู้ใส่ใส่อนอันงนักแนนนัน้นลืมลูกจิ๋นมืดมืดจนไปหาขอคนกินลูกเมี มาเดีจมาก้ดหมจาสั่งไล่ให้เมขวงกับตาขึ้นมือเลียใจดิโอ๊ยแใจก็ตายรด มาอยู่นี่กับิตตอยู่ที่จิตนัตัวมาเพี้ยนกั บ, บ่มีอย่งมาคตัมตัมหมากต่อผู้ด้วยเยชียวหมากผู้คอยจะว่าตายหมดจนกา ย, ยดูมาได้ดิดประศั่นมาเชียวมากตายเราก็บผมมาเพีนจากเทียนสโตโลมตกโตมน้ำดินเกล้กี่ยาง ผู้แ่าอันเงกเลยคุขวางเมีนั่นล้นฟังโอ้ยมาตรวนทรวนทนเลยครับหาแนวทาเสมอเมื่อบวชทอบุญคุณ เป็นปลาตานเป็นหัวหน้าเป็นคนดีเดินทางคนม่จุนเนี่ก็จะมาตีอยู่ตีจีบตัวเนว่ได้ดีลูกเต่าเขาหายยู่ยจีบอาชีวะมาแสบตัวแจักเพชรแจ๊กกะอย่างมันเกี่ยวตมะปากกัดปูนมันกัดปากมัน ตีตะ่าผู้สอนผู้ท่ายเปียงบานเปียงยาใส่บ่อไร่ป่านอนฟางไปกัดกินเกลือจนเงื่อไรตงไทยย่อยคืออยากทุมันได้กะทบตัวนั้มาก็ชีอยากนเน่บ่อตอไมีตหยับยับาเปียงบานเปียงยาชิวกระยาชิวบเจ้าของหยาไชศิษฏ์ศรีสัชนาภร์สันผู้ดังมันตายจนทงด ถื่อนากินกระตมอนเปนคเป็นหนึ่งสิโอ้ท่าบ่บานแป้งเขาไปออกลงมพ น, าานัาบาลผุนและท่ า, านก็นไปหาหมอวันไ<อ>ข่ผุนอาน้ำไม่ผุน หมอเทว่าถายอยู่อันนั้ไม่ผลเขาพอไปออกเขาพอได้ไปทุกกัมคี่เจ้าดอกพอืเอ้ยบนเมทดโคดูดยานนำน ม, มบอบยังพอบัดลูกหิวเมฆทนได้จะเลื่อนใบมาได้ปีไปพอตายากฝากแต่ลูกหน่อยวย่มาด่าลียงังตัง โอ้ยย oh, işte ืนอยู around, mm. ่กับแม่ห่างแม่ใหม่ป oh, ืนมานั่งต at ั้งเทยืนอยู่ก็บปดนปะยากับปนก็บ่รทวงบุญท่งคุณนลูกท่งตะท่วงเต่าแม่มันยังหวนทางลูกหลานหลายตัวรดมาใส่ยุนอนาคตแต่านี้ตำรวจของขั้นเราคือบดจมเนี่นอันนี้มอดจะใส่กับบดเสือให้ลูกคือให้หลานเอวันนีแต่ปั้นค่า ยังแล้วก็แล้วตัวเขาก็สิตายแล้วนะตียุติจินตีตอนก็บอกผัวไม่แท่นอีเสาก็ได้ตัวนาะทิ้เนาจะเปลี่ยนยางมาลืมคอยกิดเบืงบางมันได้ค่ไบอกได้ลืมคอยไปบอกไปถ่ายรูปบางสิตายสันกิ บาง่ัวฝนโปนตกหลายเบื่อแล้วเล้อบอยุดยอดเที่ยวหาคอได้อาหารมาเพียงคกเป่าวตาหูตื้นบางอย่าล้อใบทางเพลเวลาะกลสิที่ เดือนขามตรงนาเฟียเด็กกระหงนนอนเบาหยุด่างเมียังไวยเมื่อใดฟ้ามันมีคืเออแม่งเอากระนี่งเาพอใหญ่มาจะมีเมียอยู่สบายไปลืมข้าว ข้ามสัญญาจะเคยวาวบ่บางป่าดอกกิ่งบ่อยหลอไใครเมรอคอยนับแต่ว่าหนับแต่เมือจนถึงเท่าไอหนึ่งปีจะมาอยู่ดอกก้า เอี่ยมีสุขเล่าแล้วล่มลงคือเดินตรงปั่งโอโคตเจ้าฝ่ายคุณบอกโอ้ยคนนี้คอยไอ้คุแหละคนนี้่อยบอกไป่ายทุบบันว่าน้องตาขอปุ่นความสาวางาลทางในบอมีสวน ว่าไปใสประเดงนกวงมันตันตื่นนี่ไบอีริโบอกก้าวฝันกว่างซ้ันเนี่ยนวงก้าคือเดือดซ้ำเบาอินมาแก่จ้วงคว่ำไว เสียได้ก็เสียแล้วแต่เสียใจเว้าบอกแม่นถึกออกร่างงามย่างกว่ดใจให้ช่วงเศร้าผัวเป็นแม่คนท้าข้านเข้าไปข้านว่าลูกน้อย เ้าถึงขั้นมายังนาบาปไม่เท่านี้แม้บอกงาดบอกมึนเดลอดไม่หลามากข้ามอย่างยุนี้พย่อนคอยตาเล็ดตนล่ะเขาคอยบอกไปถ่ายู่บบานยุบฟองโยนยื่นท่ามตัวนี้พอท่านได้ออกลูกเราก็ได้ยื่นอีกทียท่านเข้าไปท่านบ่าวลูก ยาวพิมแม่ยาวเมียตีหลีะลลาอดข้อวาอีกเทือองเถามงงๆป่านนอเถากาชจะตายหรือไงบอกก็ยาเมียข่ปลวต่าชิจน้ำข่อีกกว่าองีอยู่ชวนั้นเจ้าก็ตายต่าตัวนี้เด้อแต่กอยใส่แว่นตาดํานิวันหาคขกวนอยู่ดีเขาออกที่วี่ ข้าวเมฆไม่ขนนลวลมาเป็นแก้วน่วยบอกพูดนาะลูกเม อากลุกยาอุรามงโอ้ยสิ่นี้ก็นั่งสิมาลองดิเจฟังอยู่นระคือพอไปซื้อชื่อนู่นเดินเลย ลองจริงๆขาบอไปยู่น้ำหวนเล่บึงพูนเป็นนั่งเกหวนเล่นบึ่งนะปองเขาขาดไปไปหาลูกสาวเจ้ามาบอกนำเรียกไล่ยืนหน่อยแม่ไปใช้กับไปรลดอ่านความสุข บอกงากบอกมันคืออิลิวกันถูกไหมนี่จะเป็นอี่นิกระดายนั่งอยู่นี่ผาเพรานุ่งกระดายหัดมาเอาหมาเจ้านีด้วย เป็นบรรดาทุลูกชายครับได้ีออกจากบ้านก็มุ่งหน้าสู่บ้านของลูกสาวด้วยความกัวร้าวและน้อยใจพอมาถึงบ้านลูกสาวของตนเองยังเอ่ยพ้อฝ่าใจขึ้นไปว่าลูกลาเมลิกาเมลิกาเอ้ยอยู่เงื่อบรรุกแม่มาตัวคําเสียงผู้ใดมาเอิ่อห่อยวอนวอนยูหันเนาะมานคือเสียงอีแม่ถึงนี้มันอีแม่มายี่หลี มาเสียฝันคิวเขาจะคอยแม่คอยเสียออกไปเบื้องจากบาทก่อนนะเอาอี้แม่อีหลีต้นนี่แม่แม่ลูกลาโอ้ยไปจังใดมาจังใดเยเจ้าจังตากแดดแากนัยบูดอนซอนฟ้ามาจังสี่เจ้าบลาบ้าเมื่อยตจีแม่ทำเอ้ยเมย์กเมย์ลากระลาลูกลาแม่ตัดชินใจออกจากบ้านจากสองมนี แม่วาสิมาอยูน้าเจ้าให้เจ้าเลี้ยงแม่ตอบบุญแท่นคุณนย่าแม่เท่าแม่แก่ถ้าตัลูกลาไปอังกอแม่วาสิมาอยู่น้าตัวลูมาอยู่น้ำคอยแม่ลูกลาอย่าสบายจังสันเท่าบ่อผิดกับบ่อไม่แม่เจ้านนัจังไดว่าแม่บ่อผิดลูกลาเอ้ยแม่ตัดจินใจไม่แห้งแล้วคิดในทีย้ำให้แหลกแม่จังไดแตงสิ่งแตงของกวังว่าสิมาเพิ่งพ่าเจ้าย่าแม่เท่าแม่แก่ให้เจ้าเลี้ยงแม่ตอบบุญแท่นคุณตัวลูอ้าเจ้าสีลมาอยู่น้ข่อยจังใดข่อยมาอยู่นี่่อยกามาเป็นหลวงไพ่เพลิน มูนมังสังขา ย, ยาแก่เป็นของลูกข้องขัวเป็นของปูข้องยาบ่าพรไะเด็โยแ ก, ก่แก้คอยเจ้าไปหย่างจังขาว่าไปหาไอโา้โสรตะบุดบ้าน <ละ S 1> ท่อมไปแล้วตัวรู้ไปแล้วเจ้าคืปอประยูนนำเขาซีอยู่ใดจังไดข้ามเบย์เมตนามกับบกกาให้เม่กิน ไล่เมนีตีเมริทรงบอกว่ามาเพิ่มข้าเจ้าตุลลโอ้ตอนนี้เนี่ไหมข้อมบอกข้อมว่าจะไปหาอ้โซลตะแล้วไปแลี้ยวุกลาเขาบรับเปนเี้ยงเจ้าเขาไล่หนีไปหามอยูน้ำไข่่าสันทอจังสัน ล, ลุลาป้าทงแต่ปีศาส ย, ยังบเบี้ยงเจ้า่อยหรืองเราที่ทาเป็นเขานั้นมีเงื่อนทองหลายไฟเขากะ ล, ลุ้ยโรด ข้นเขาบ้านรับปรลี้ยงเจ้าเขาืาขึ้นเมื่อบานก็แรนว่าสด็ย่างหอขอพี่กว้างไกลกวาดอกร<ล>กร<ล>ะด่งบาเลยเพิ่นก่นยังว่าเลี้ยงลกูกวังว่าอยากกินแห้งปูกปอือปักแตงวังว่าอยากกินนวยยามเก็บป่วยังว่าอยากหาหมอสารกระท้อวังว่าเสายาเสนฝ่าย เลี้ยงลูกยิ่งลูกชายบังว่าสิใดเพิงลูกหล่าเอ้ยกับเมีกับบังเพิงลูกเพิงเตาเมียจนได้มหาตัวลูกหล่าเสียเมีไปใสียใดภาพเอ้ยมันกับเมียนยูความเจ้าบ่เจ้าวามานันมันกัถึงมันกับต้องยแต่ว่าเดี๋ยนี่คอยมาอยืนนี่คอยกัมาอาศัยเพิ่นเจ้ากับเห็นหมกเห็นใจในเป็นอย่างขอว่าท่าไหนถามลูกถามผัวถามปู่ถามญา S <S ไปไปไปขึ้นมา่อบันสะกอนจะสามารถบอกลำนีลำไรยู่หนี <S 2> <S 2> <S ลูกกว่าปูหยากุนเสมาเห็นเรือเบิ่งเตีงโตสินกาดขาดใส่ใส่ขึ้นกันก้าพ้นขอท่านเสมาขออยู่น้าข่อยจังใดนี่ไปลูกหลาเดี๋ยวนี้มันตะวันกําลังสิคำเสือเมืองไฮเมยนอนโดยเงื่อนจะคืนตื่นหงสาวเมยสิขึ้นบ้านขึ้นสองอดอกลูกหลานี่จางวานในตอนนี้ เป็นเนีท่างจะเรินยิงที่ nhà trốn กับต้นฟ้ามานลีกาบลู่ทุกข์จะขอดื่มและเลื่นขอ ที่ไม่เกี่ยน่ะงลับกอดเพียงคนเดียวสิเียวอย่างละทางการห่าพี่มันบ่คันเรียงมาเลี้ยกันบ่คันห้อยคือกันกับคนพี่สิเอาดีต่างายสิมาไปใส่ผู้เดียว แล้วกินหมากบ่ไใดเขียวผู้ใดว่าปากมันเดือดแนวกินแจงบ่อใดสุดทันโหลดเสอเสียนหวาลู่วัดมันได้เจ้าวังอาศัยตั้งใจต่อแต่มันเกลืนบ่รุ่ ต่มัอัดอันอังสะโมนผู้เปลี่ยนเปี่ยนเองไปเกิดก่อนนางก่อธารมที่ว่างแงมเหลือเลียวรละวางไปดอกต้นไทรไอ้บ่ทําน้องตอเทียนี่ชายวะ ต้งป่อยพี่บ่อซอยส่วนวน้องก์บ่อเลี้ยงสีเปียงเขาตั้งแต่จันผ่านทางคุณบ่อทั้งจันมันลูกกากบ่ท่าเป็นไก่แาบ่อมีฝูงลุงสีจ่าสิทาากันสัวส้ำก็ตามเล้วแนี้วบันดีหันมาว่าเผยส้เนาเวบ่อตอมีหี้ลูกอยากล้ำลูกอยาก และแต่ไฟผัวลูกบ่ผัวบ่ย้อนให้แม่อยู่นํานังยาหวานลูกนี่ําเตี้แม่อีกที่สองฮะลูกนี่มาคว้งมู่อ้วนผู้อ้วนเขาบ้านเดียงแล้วมันเพื่อนก็เพื่องผัวปวมู่อ้วที่มี เป็นของกผูเพียงแค่ลูกนียมายุ่งไอ้ต่ผัวทอนานแนวค่าความปังใจขันที่ว่าลูกกตว่า ฉันจะมีกัปั่นกันเรื่องมันเปลี่ยนคือฉันจะยาว่าเรื่องปากคุณเจ้าเนวมันเป็นคือไค้อ่างทางทีหได้กาบก่อนยาว่าเรื่องทั้ส่น ใจจังค่อยพอข้าวนาอีกเทลางตอนนี้หยุดพักยางทู้ว่งตั้งเมฆขึ้นกาบจัดนี้ทานความเปลี่ยนไปไกล้บ่ทันพ่อเหนี่ยวผัวคุณฟังยาการเจียวเบาตามนี้อาจารย์เตียงวางกันไว้ที่อ่างสามนี้ แล้ว <c ười> ฟังคำเมยียคำผัวจังได้ลืมเดือเมี่ยเลียงย่านเพียงเอาเลปางอู้น้อยแก้วกันลูกลา มาบันเมื่อนตืเจ้าสีมะฮองมาห้อย่างยดิสีมลามาขอย่างยุดิบ่อแม่เด้มาเรียเมบ่อเป็นตามสมเติมลงพอปันอย่างสร้างบทตองท่านดูเบิงแล้วเบิงเสียกัขาดซอยคือกันกระโนขอท้าสีมขออยู่น้ำข่อยยังไหนงไก่อยากไา่ผู้อยากไอ้พุก่น ไปตื่นมาบันมาซองยามาห้องมาให้อีนี่คอยยังไงผู้ยังไงคนอย่างนี้ยยได้อวายวะกระดูกกางวิลาบุญยศวัด้ว้คนบาดีตูกดอกบอนม้า ลูกแมาปันเจ้าขอห้ยพ้อมจนโซบะมียากระดูกนั่งตีนึงเพียจนสายนตาสายหลังจาก ยังอีกสุด้ายสันติปากีบาวอาปากวเสียกข้าวน้หนกหน่ आ, ตามปอดเมืยล้ปาเป็นล้มรมปองออรดีฮดีแม่โอ้โอยากอายปู่อยากอายคนจังสี่หลวเรียนมาขายมาขายหนาลูกหนาเต้าจังสี่เวที่้าลุกขืนเด้อเเสมันมมาตายสิฮนข่อยยากสติเมลุกขืนรา้านจจากนี้จาก้านข่อยทเมสายเลาไม่เมขึ้นลูบ้าบบบบบาบบีลังสิลูกกข้าไป็นหลวัแต่ม่เจาขยังมาไดให้บ้าให้เจ้ามาบังับ เแม่กหาขายนาลูกนาเจ้าเจ้าว่ารีนมหาจะแตกอยงว่าเจ้ามาคอยอย่างไอผู้อย่างไอคนที่ไปไปสัมมาหองมาหายให้ไทมันเทมยงเขาได้ยินเขสีหาว่าคอยข่าอยแจ้งเจ้าละปากน้ Ah uh... ข้อตายโหลดแต่ว่าเสียมะหองมไหงเนี้ยกระดอกก็ะเดีนน่วเนาะบอกใหรนี้ยไปยังม่ตรหยับเขาหยับเขาอยู่ไหมะอ๋นสนีเตศตอนสาวยังบ่มีปันเขา ขามาจะแตกอย่างตลาดกมยวังมาซื้อยูซือกินสักนจะ่อยว่าหาคอย่อิ่มท้องอิ่มใส่สันจะมาเปลียยอนวาทกตตออยากกินวมาบกหน่อยก็ยจอยบ่อิ่มหนายิ้มก็สแล้วกล้วดอกบาัเข่าสนามส่มันสมาแสกแต่ยูน้ำข่อยนี่เขดบ่กตมว่าสิผ่านหนตสอง พี่บ่มน้องบ่ส่นจางแมนสาลาบุญบ่มีความบ่มีคาวเสียวยังมาเลียงเขียบเหลือผูกฟังนั่งอยู่นดี่ สงสัารวอย้สวยมื่อแม่สลาสวยสลาสาวข้าวตั้งหัวงมืแม่ไม่ร้องแม่ไม่บ่นแม่ทนได้ เฝ้าถหนออจ น, นกันแก้มเต็มใจจะใครมัเนเมียเพ่ทุกคนครบรบสิบเดือนแลเคลื่อนคอนรอชีวิต แม่ไก่ท right. ี่ลูกน้อยคอยฝึกฝนแม่ลําบากอย่างไรใจเมตุฝนสายเลือดเต้ากันให้ลูก แล้วแม่เจ้าเสิมือเอินข e ่อยย่างลำดีลำไรขอพ่อแม่ไปเจ้ากลับไปหรือเพียงเจ้าเสือมาสร้างมาลากข่อยย่างขอพ่อแม่ทอดดอกยิบดีเสือเกือกตอมโยคือควายบอกวายหมนาง ร้อยข้างเลือคือแสงมณีโชดแม่พะถทษพวกเจ้าเพียงนอยโทอมีดให้มีสุขเด้อลูกลาเด้อเกล้าคำแสนถึงสิจนเม่ทดูกทุกตายกระตามเร็วเม่สิคือ เมื<ภ>่อบานหัวหนองบลาบือสลักขันกำบาลเก่าไปตามชิ้นของคู่เทาคอยเ h à o Chung c h e ว่าได้เพียงสำเนี๊ยกรมนาย่างน้ำตาตกขอทานกินพ่อหายหิวเพื่อปาตังจีวังไว้ผัวเปิดใจนานทาน ทั้งเสือผาพ่จะเลืนดื้อทุกทุกทานท้าในแล้วจงอยู่ดีให้มีสุขในชาติดี ที่แลชัดไม่สุขสมจะได้ชมกาวังดังแคในวันนี้ลูกหลานมีหลายล่อนทุกๆคนในว่าง่ายจะได้เป็นคือยายตายบ่มีผู้เก็บกระดูกกางคือาบางที่เก่าไขหนาเหลี่ยงไกย จนดตัวยี่บมีคันดัสจันดีนอหลดบมีตัวขนหองเฝ้าตามควงมาเพียงนี้ดูแลมาจุดวันยี่ลุยเฝ้าใจใส่ป่าเมธีเมียงบ่ได้ปัดยมเทาบ่บึ้ง ฟังก <els> <No S 1> ันมาจนรูดแจในเรื่องพิศนายายสุกขาูกมีสุกถูกบ่มีย้ำว่าเดิอนทั้งกายกะลางทึงสุกกาน้ำตา พวดประหูพวดบางมแต่ยังยังยอยเสียขึ้นบา้แม่เก่าเดิมนานนาสัทธา จันที่มะมหาลูกหาเต้าลูกชายกับบห้ฮยูน้าลูกสาวกะไรหนีตีทรงน้าซ้าเขาน้ำตามป่าบวกาหาให้แมอยู่แม่กินไรหนีขึ้นบานขึ้น่องผู้เป็นแม่ด้วยความในอโอรสใจกลับขึ้นบานกลับไปหอดบานหอดสองคุ้นยมเอ้ยกินกะเไรยนกับบรนอนบบรับคนิน้าดุงนําเต่าผสมเรียงมา้าผ้าเงยหากจังแต่งแพงจังตาปลาได้ดับได้ดเรียลขึ้นลืมแม่น้อคํามันสัญญาคําสาบุสาบาน อาคือกาดถิมกาป่าบะเหต้นําทำตามบัญญัตบาปน้ากําไรติดใดน้อผู้เป็นแมย์ลำพึงลําพันคนโยมเอ้ยหลังจากนั้นแมย์จันดูไปอยู่มาคลุมตอมตมขขาน้ำตามปลากรกินบะไรทําให้ร่างกายสูพร้อมลงโรคไพ่ไข่เก็บกับแซกซ้อนผู้เป็นแมย์ในที่สุดเมย์จันก็ได้ลมหายตายไปเป็นพระลาของชาวบ้านชาวเมืองเพลย์ทำชาปันกิศบัตหนี้มายอนกลาถึงลูกสาวกระลูกชาย เพื่อนวากรรมูหน้าวัตติโรโกสโลกว่าดินเว้นกรรมของเจ้าของที่ทากับแมยของตนเองคํามันทัญญาคําสาบสาบานก่อนทิ่ล้งเฮืร์นลงซานจากผู้เป็นแมยได้ให้คํามันทัญญาคําสาบานกับแม่ไม่ว่าหากเลี้ยงแมย์บรัยตายกับเขาหนักกับขาตายเก่าใจพ่อผาพอเจ้าแน่ที่สุดกรรำนําในโลกทั้งสองคน อยู่ต่อมาบดลบ้บนานฝ่ายพอเ่าเม่ า, าของโสฬะตะลูกเมียกะเรวาโสฬะตะตั้งแต่กีตั้งแต่กรขึ้นเป็นขุนหูผู้ดีบอกไงฟังคำบัดมาอยู่น้าเห่าขึ้นแต่กายจากหนามือเปลี่ยนหลังมือเมมหากระลรหนีตีทรงน้าซ้ำวายอยู่น้ำเขาน้ําตามป่ากบับวายอยู่ให้กินเป็นคนอากาตันอยูต่อเมยของเจ้าของคืนเลี้ยงไปเกสิเป็นไผ่กับตะกูลของเจ้าของในที่สุดพอเ่าเม่าลูกเมีย กันเลว่าสวยเจ้ามาอยู่น้ำเห่าหนีก่กสิบอมีขาหมายต่อไปเจ้าสีขาพอขา้าเมรัยตุคอยไรพอไรเมนี้จากเงอนจากซานวัดสันเอาไปเอามาหนีซาวสันจะมาอยู่ต่อคนบดับบดีคนอักตันอยู่ต่อพอต่อเม่เหาขึ้นสี่เลี่ยงเธอบริษัในที่สุดโซละตะกะถือคอเท่าเม่าเท่าลูกเมียอะไรหนีออกจากบ้านจากซองเทอมาจาังไรกัไปจังสันเสือผานาแพ้กับแต่พสุดเกา ไฟมัลลิกาก็คือกันคุณนโยมเลยหลังจากนั้นดูต่อมาไฟปูญากับหัวกระเลหนีตีทรงคือกันเพราะว่าเป็นพอกรรมที่หาไว้กับเมยของเจ้าของนี่แหละเพื่นวาลูกคนใดถ้าไม่พอเมย์น้าตาตกอย่างออกดาพอดาเมยนี่แหละคุ้นพอนี่แหละคุ้นเมยห้ามสวรรค์ห้ามนิพานในที่สุดลูกทั้งสองของเมยใหญ่จันทร์กลายหลับคว่ำถูกขเวทนาไปอาศัยบานใดเขาก็ว่าให้อยู่ ไปอยู่บัดน้ำหลวงพอ่อนนอมหลวงพ่อนน้อมกะไรหนีตีทรงว่าคนบดับว่ดียมมามอยู่นี่เมแต่พอแต่เมไปหากะไรหนีตีทรงแนที่สุดเกิดคว่ำอับายขลายนากหนีไปตามอัญชากรรมของเจ้าของหานอนตอ่ำอาถรนหนท้างแน่ที่สุดก็ไปตายอยู่กลางโคกลางป่าดังคําสาบสาบันใบหากับเมตายพ่อพ่อพาพอ่พอเจ้าแน่ที่สุดก็ได้รับกรรมดังที่ให้พอ่อไข่ใบกับเมของตอนเองมีท่าเหลืองยาเรียงไก่บะมีโตขันอัตมาภาพทั้ง3รูป3องค์ เพราะว่าอาจารย์พระพูทธมงคลจฉ ย, ยวัน